ยกกุฏิหลวงตาผมโตขึ้นมาก็เห็นกุฏิหลวงตาหลังเนี้ยอยู่ที่ตรงนี้แล้วตั้งแต่หลวงตาตั้งวัดนี้ท่านอยู่กุฏิมาสองหลังหลังแรกเป็นกุฏิเล็กๆ เ, เฉพาะองค์ท่านอยู่หลายปีซ่อมแซมสามครั้งจนกระทั่งหมดสภาพคณะศิทธิจึงสร้างกุฏิถวายหลวงตาให้ดูเหมาะสม